มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรปรณามคาถาคำนมสการพระรัตนตรยัย จริยาสัพพโลกัสสหิตายสะมะเหสีโนอาจินตยานุภาวังปิวันเทหังโลกนายกังวิชาจารณะสัมปันโนเยนะนิยติโลกโตวันเทตมุตตมังธรรมังสัมมาสัมพุทธปูชิตังศีลาทิคุณสัมปันโนทิโตมขะเลสุโย วันเทอริยะสังคันตังปุญญาเขตตังอนุตตรังอิติยังรัตนัตะยังนมัสสนยังนมัสสมาโนปุญญาพิสันดังวิปุลังอลทธังตัดสานุภาเวนะหะตันตรายูพระอัฏกถาจารย์ผู้วิเศษเมื่อจะนิเทศธรรมคัมภีมิลินทปัญหาไว้ ให้ถาวรตั้งมั่นไปให้ท้่วห้าพัน 5, พระวัรษาจะให้เป็นที่สดับสติปัญญาแห่งปัจชิมาชะนะตากุลบุตรสาธุสัพปุรุษอันจะเกิดมาเมื่อภายหลังท่านจึงตั้งพระนามคาฐานี้ไว้เป็นต้นในปการณารมพะคือแรกกระทำพระคำพีอันนี้เพื่อจะขอคุณพระรัตนไตรากาจัดเสียซึ่งสับพะโรค และภัยอันตรายทั้งหลายอันจะมากระทาและอุปัิเชธกะกรรมอันจะมาตัดชนามายุให้ดับศูนย์เสียเร็วพลันมิทันจะแต่งพระคมภีมิลินทปัญหาให้แล้วจึงผูกคาถาประนามพระเสรตนาไตรแก้วทั้งสามไว้ในต้นพระคมภีแปลความในประนามคาถาว่าอาจินตยานุภาวัง อันว่าอนุภาพอันสุดที่จะคิดยัสะโลกนายกักษ์สะแห่งพระโลกนาฎบพิษพุทธสัพพันยูพระองค์ใดอันโปรดเวนัยศัตว์ให้เข้าสู่สีวะสถานคือพระนิพพานมะเหสีโนอันสืบสร้างสแสวงหาศีลาที่คุณมาช้านานขนาดนับได้ถึงสี่อสงไขยแสนกันจะริยา เหตุประพฤตินั้นโสดหิตายะเพื่อจะให้เป็นผลเป็นประโยชน์สัพพโลกัสสะแก่สกลโลกมนุษย์อินพรมวันเทข้าพระพุทธเจ้าจะขอประนมทัศนคขะสมุทานอัญชลีกรเหนือเสียนสิรโรธโลกนายกังซึ่งสมเด็จบรมโลกกนาถพระองค์นั้นประการหนึ่งเล่า สมเด็จพระบรมโลกนายกยอดบุคคลเจ้าวิชาจารณะสัมปันโนบริบูรณ์ด้วยวิชาแปดและจารณะสิบห้าส่งพระพุทธคุณเป็นอเนกอ น, นันนิยตินำไปซึ่งสัพพะเวนยนิกรอมรเรศสูนิเวทปะโมคนิพพานโลกโตพ้นจากไตรโลกไปเยนะธรรมเนะ ด้วยพระนบพระโลกุตระธรรมก้าวกับทั้งพระปริยติธรรมอันใดวันเทข้าพระพุทธเจ้าก้มกล่าวอภิวันวายตั้งทรมังซึ่งพระนบพโลกุตระธรรมและพระปริยติธรรมนั้นสั ม, มาสัมพุทธปูชิตังอันองพระสั ม, มาสัมพุทธบพิธพิชิตมาน หากทรงกระทาส ก, การะบูชาทุกพระองค์สืบสืบกันมาประการหนึ่งเล่าโยอริยะสังโฆพระอัสดางคิการิยะสงหมู่ใดศีลาธิคุณสัมปันโนประกอบด้วยคุณมีศีลคุณเป็นต้นทิโตสถิตอยู่มัคคะเลสุในมัคสีผลสี วันเทข้าพระพุทธเจ้าก็น้อมโมลีลงอภิวันตั้งอริยะสังฆงซึ่งพระอัสดางคิการิยะสงจำพวกนั้นปุญยเขตังอันเป็นเนื้อนาบุญอนุตตรังอันยิ่งหาสิ่งซึ่งจะปูนปานไม่ได้เมื่อข้าพระเจ้านบนอบพระรัตนตรัยอันใดนมัสสไนยัง อันควรจะเคารพนบไหวปุญญาพิสันดังเป็นที่จะให้เกิดกองบุญมีคุณอันวิเศษตัดสานุภาเวนะขอพระเดชเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยเจ้านั้นหาตันตรายอยอันตรายทั้งหลายจงกำจัดไปอย่าได้มีแก่ข้าผู้จะแต่งคำเภีมิลินทปัญหา ในการบัดนี้จบประนามคาถา